ลานี่พวกเรากำลังศึกษาถลุงย่อยศึกษาไปว่าถลุงมาจังว่าสิกขาสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาให้มันเป็นศีลให้มันเป็นสมาธิให้มันเป็นปัญญาคือจากการศึกษาจากการถลุงในพระวิชากรรมฐาน เป็นการถลงง่ายๆเครื่องทุนแรงง่ายๆมีสติเป็นฉิขาแล้วถลุงแล้วความโกรธมันยิ่งใหญ่เพราะมีสติมันก็ถลุงออกแล้วลความโลภความหลงความทุกข์ต่างๆมันก็มีเท่านี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมากมายแปดพันสี่พันเรื่อง นีพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าตกรล่าไตรแปลว่าสามสามตกรล่าก็สูตรตนตปิฎกสองหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ด้วยหน่ยสองหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์พระปิธรรมสี่0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์จมแล้วเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ พระเจ้าบอว่าทั้งหมดคาสอนของเราในฐาคะเท่ากับใบไม้ทั้งป่ามากนั้นใบไม้ทั้งป่าไม่สามารถเทียนลู่ได้ทุกใบทุกอะไรต่งตางๆนับไม่ได้แต่พระองค์กําใบไม้ขึ้นมานี่มีเท่านี้ใบไม้ทั้งหมดในป่ากับใบไม้กับมือของเหล่านี้อันไหนมันมากกว่า ก, กัน พิสทั้งหลายก็ใบไม้ในมือพระองค์น้อยนิดเดียวพูะเจ้าก็บอกว่าในหลคํคำสอนของเราทั้งหมดเหมือนใบไม้ในป่าแต่มาสอนพวกเธอเพียงใบไม้กับมือเดียวเท่านี้เป็นคาถาสั้นๆทุกอย่างเกิดตะเหตุตัตะเหตุเหมือนคาถาปราชิสอนสารีบท ใส่บทอยากฟังเห็นอัสชิเรียบไม้เรียบร้อยหน้าเรื่มสวยหน้าศรัท ธ, ธาท่านองนี้รู้อะไรมาเนอรู้ทำอะไรทำไมจงงดงามอยา่างนี้ใครเป็นครูของท่านนอครูของท่านสอนยังไงเนอถามอัสชิอัชิก็บอกเรานี้บวดใหม่ ต้งบวมาได้เมื่อกี้นีเองยังไม่มีปัญญาที่จะเทศนาสั่งสอนท่านได้เดีวริบรุตก็บอกว่าเอาน้อยน้อยก็พอไม่ต้องมากก็ได้ถ้าคาถาปัจิอัจฉคิก็ตัดลงไปว่าเยธรรมเยธรรมมาเหตุปป ป, ป, ป, ปวาเตสังเหตุงตุถากะโต เตสัญจะยุโลโทจะเอวังวาติมหาสมโนถ้าแปลเป็นภาษาบาลีพุทธถาพุทธสอนเราตั้งแต่สิ่งตัแต่เหตุเกิดตั้เหตุดับที่เหตุพระถาพุทศาสดาสมหาสมุเจ้าเป็นศาสดาของเราครูของเราสอนเท่านี้สาธุดได้ตรงตาเห็นทําเลยจะกาบพระสักขี ถือเป็นโคอัญชีบอกอย่าเลยแอ้ก่อนสารีวดชื่ออุปติสสะให้ต้องกราบอัตมาอัตมาเพ้งเป็นพระวดใหม่เอาพระพุทธเจา้าเป็นศาสตราเลยทีเดียวเป็นโคเลยทีเดียวสารีวดก็ถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดอยู่โ น, น้นคงเราจะคลื่โ น, น้น เสด็จ่ก็คยเข้าพระพุทธเจ้าน้อยๆเท่านี้ใบมืกับมือเดียวมันก็มีเหตุแล้วก็มีดับที่เหตุอย่างพระพุทธเจ้าตัดสลุอริยสัจสี่มีทุกข์ม่สมุทัยไม่โลดมรรคสี่ข้อนี้เหมือนกับมีเหตุมีผลสองอย่างทุกข์เป็นผล สมุทยัยเป็นเหตุนักเป็นเหตุหโลดเป็นผลไม่เท่าเนี่ยทำมันนี่สิ่งนี้นก็เกิดขึ้นต้องมีความรู้สึกตัวมันก็มีเหตุมันจึงไม่หลงพไม่หลงก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการกระทรทำอันเดียวรู้อันเดียวง่ายๆเดียกว่าใบไม้กับเมืออเดียว ถ้าจะไล่ถึงคำสอนมีมากมีพระบางลูกพอบทเข้ามาก็สอนเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วก็สอนก็ไม่มีปัญญาที่รยรู้ได้ทั้งหมดจำยากง่อยใจรับแช่ใจไม่สามารถที่เรียนรู้ได้กลัวเป็นบาปนี่พี่ชายเป็นคนสอนพี่น้องกันมาบวท น้องชายเป็นคนเปิกหนาสาหดสอนอะไรก็ไม่จำพิชายก็อายเพื่อนเลยน้องชายศึกซะหลายเพื่อนน้องชายก็ร้องไห้ไปเผ้าพระเจ้าว่าิชายเล่ยศึกทำไมจึงเล่ยศึกเพราะเรียนหนังสื อ, อยากสอนอะไรก็มาค่อยจำไม่มีปัญญาไม่มีสมองพระเจ้าก็ต้องบอกว่า จะเลียนลายมันต้องเรือนมากดอกก็เลยทิ้งผ้าขาวๆให้ผืนหนึ่งเท่าฝ่ามือเนี่ยให้ปัดละเนี่ยลูปอยู่เดะโจหลันังเะโจหลันังเดอะโจฮลันนั ง, ร, นงรูปผ้าอยู่เรื่อยๆผ้าจากผ้าสีขาวต้องลายเป็นผ้าสีดําไปเลยก็เลยมาเข้าใจโอ้จิตของเราเนี่ยมัน ไปสัมผัสกับอะไรจนเป็นพิเรนหาหละคะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลวงพามันสัมผัสไม่มีสติก็เลยเข้าใจบรรลุธรรมเลยเจ้านี้ก็ได้บรรลุธรรมจะประชิดยากเกินไปบางทีในสมัยข้าพเจ้าในอิหิภิกขุไปสัมปทา เงบวชใหม่เพียงแต่ตัดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทาไม่ไหนเราตัดไว้ดีแล้วท่านจงพึ่อพรพุทธเป็นผู้พิทธรรมไม่ไหนนั้นให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดถ้าเท่านี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมกันถ้าผู้ใดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้ญญาก็ตัดทนจงเป็นผู้พิทธรรมนั่นเถิด กระพืดตามทำนั่นเถิดถ้าผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จงกระพืดตามทำนั่นให้เป็นที่ที่ชื่นทุกเถิดแล้วก็หลีกเข้าไปในป่าโน่นคนไม้โน่โนเลืนล่นวน่างโน่นลอมฟางโน่นทำไม่มีกติเบอร์หนึ่งเบอร์สองสองหนึ่งสสองเหมือวัดละ่ะอยู่ที่คนไม้ไปเลยนี่คือ การศึกษาของเราอย่าไปคิดว่ามันยุ่งมันยากเวลามันหลงรู้จักตัวมันยากอะไรไล่โยองในล่ า, ลากลัวยากกาลัวเราโยงมือนกัดต้งไล่โยงมีมือมีผ้าแต่ว่าไม่ต้องไล่ก็ได้อยู่ในมุ้งเสาะมีสติเหมือนมีมุ้งงอนในมุ้งฟังเสียงยุงมันบินรอบมุ้ง มีสติเหมือนมีล่มในมือเวลาฝนตกก็กางล่มเวลาแดดออกก็กลางล่มเดดก็ไม่ร้อนผนก็ไม่เปียกมีสติให้เรามันหลงรู้ไม่เปียกด้วยความหลงเรามัอนทุกรูก้ไม่เปียกด้วยความทุกเราเหมือนโกรธรู้ไม่เปียกด้วยความโกรธเหมือนมีล่มในมือเท่านี้ก็พอใช้แล้ว แต่ว่าต้องมีสติต้องฝึกให้มีต้องหัดต้องมีต้องฝึกกนเดงให้มีไม่ใช่เรียนรู้สติคือความลึกได้สมัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่ใช่คําพูดการสัมผัสทั้งกายทั้งวิ จ, จาทั้งใจเราหลวงตาเคยพูดว่าเอากายมาจุ่มเอาความรู้สึกตัวเอาใจมาจุ่มเอาความรู้สึกตัว แต่แรกก็เห็นเป็นกายเป็นใจเมื่อมีสติเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉานได้ถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจมันเป็นตุ้นเป็นโคนมันจนง่ายร้อนก็เป็นความร้อนถ้าหนาวก็เป็นผู้หนาวถ้าสุขก็เป็นผู้สุขถ้าทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์ถ้าโกรธก็เป็นผู้โกรธถ้าหลงก็เป็นผู้หลงถ้าหิวก็เป็นผู้หิว เจ็บถ้าปวดก็เป็นผู้เจ็บผู้ปวดถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจแต่ว่าอันนี้แหละมาเป็นสูตรถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยต่อหน้าต่อตากันจริงๆความหลงความรู้ไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดหามันเจอต่อหน้าตาต่อตากันหลงเกิดขึ้นก็ลรู้ก็เลยเห็นอันเดียวเห็นอันเดียวก็เลยํานานเห็นว่านี่เป็นรูป มันธรรมชาติเป็นอาการสมรัมลอนเป็นอาการของกายไม่ใช่ตัวตนความหนาวความปวดความเมือ่อยเป็นอาการของกายของรูปกายไม่เป็นรูปมันไม่เป็นของขายมันไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้อันเรื่องของกายเรื่องของรูปนี่มีธรรมชาติมันมีอาการของหมันตามความเป็นจริง เกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปไม่มีใครห้ามมันได้รูปนี่เห็นเป็นรูปมันเป็นรูปจริงจริงไม่เป็นของใครเราความรอดมันเป็นเราเราความหนาวมาเป็นเราเอาความปวดความเจ็บอะไรความทุกข์ต่างๆมาเป็นตัวเป็นตนนั่นไม่ไม่ใช่เห็นรูปมันเป็นกายมันเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเรามีสติเห็น ไม่เป็นนั้นเห็นมันร้อนเห็นมันร ots, นน้อนมันหนาวเห็นม um> ันหนาวมันปวดเห็นมันปวดมันสุกเห็นมันสุกมันทุกข์เห็นมันทุกข์อันนี้ว่าณะโจหัหนังณะโจหันังไม่เปิดเพื่อนกับความสุขควงทุกข์เป็นพรหมจรรแล้วไม่เป็นเลยแล้วว่าพมจรรย์ประพฤติพรหมจรรแล้วเจ้ายจงไงมันก็อยู่อย่างนี้อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ไม่ไกลสักหน่อยเป็นปัจจุบัน เห็นเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ทําได้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยเอาใจมาจมเอาเวลาได้มันหลงรู้อย่าให้ใจพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์หาคำตอบจากความคิดได้เหตุได้ผลจากความคิดตัดชิ้นใจทำตามความคิดความลักก็เกิดจากความคิดความชังก็เกิดจากความคิดมาชีขึ้นมาลักก็ลักไปบัญชิกันมาโกด ก, ก็เกลียดชังกันไป อยงนี้ไม่ใช่เราเห็นใจใจมันบริสุทธิ์อยู่ตันความเล้วของมสุขความทุกข์มันมาที่หลังไม่ใช่ใจนะเห็นว่าเป็นนามธรรมมันเป็นรูปเป็นนามจริงๆเท่วนี้มันสรุปลงเท่านี้ไม่ใช่กิเล 1, 5, สปั0หาศานาอยแปดถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันย่อมันกรรมือเดียวจริงๆแล้วก็เห็นตัวหน้าต่อตาเราเนี้ ใครก็ตามไม่กายมีใจเหมือนกันจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็หนงกันสาวเหมือนกันหมดแต่ถ้าเรามีสติดูมันสนุกสนุกหลงจะได้รู้สนุกรู้จะได้ไม่หลงอย่างเนี้ยมันก็เปลี่ยนได้จริงๆนะเปลี่ยนทันทีหักด้ามผ้าด้วยเข่าก็ได้ถ้าเรามีความสามารถล่ะ ันงตาไปสอนอยู่ที่นิวยอร์กเปิดค้อดอย่างนี้แหละปฏิบัติทมกันมันก็ลำบากกว่าเราเนี่ยอยู่ที่นั่นมันหนาวมีห้องสี่เหลี่ยมคืนผ้าก็นั่งเพียงฝาเพียงฝาบ้านขเขาเขาก็ทำเพื่อการนี่โดยตรงมีผมปูมีเบาะนั่งกลมๆรีมากไม่เหมือนอย่างนี้ ้อจอบแบบให้ป่าสุกโตอยู่แต่ยังไม่ได้ทําเลยของตายซะก่อนต้องมีกลมๆทําไมจึงมีแล้วก็มีสองอันคนหนึ่งก็นั่งนั่งแล้วก็อันหนึ่งก็เพียงหลังใส่้านั่งเป็นสี่ห้าชั่วโมงก็ได้เพราะถ้านั่งมันไม่มีทําให้หลังคดหลังหงเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทโรงงานเขาทําที่นั่งให้มีค น, นให้หลวงตามาหลวงตาก็เวลานั้น เอวไดีเอวหักไปยกไม้กระดูกคนโคนก็เคยนทั้งเก้าอี้ให้นั่ง็หลังแม่มคนหนึ่งมาทำเก้าอี้ให้ให้นั่งก็ถือมาใช่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ในเต้นทุกวันนี่ไปดูก็ไล้นั่งแข่งกันกับพนนุ่มก็ดอกก็มีสามีพัญญาหนุ่มๆทั้งคู่ลงหลงตาหักลำพ่าว้วยเขานะที่พูดมุกี้ใช่ไหม หักอย่างไงเลามาปฏิบัติกันมาสามีปัญญากันมาเมียสาวผัวหนุ่มสามีแต่ว่าเป็นหนุ่มก็ท่าทางเกันผู้ใหญ่มากตกโขมหลวงพ่อสุภาพปุรุษแต่ปัญญาเงางนงนอนเวลามาบัดบั ด, ด, ดอาทิตย์หนึ่งนะทวนสามีกลับบ้านเอา น, นั่งปฏิบัติธรรมไปก็อ้อนสามีพากลับบ้าน ไม้สู้สามีก็ชวนให้อยู่ก่อนอยู่ก่อเจ็ดวันเท่เานั้นเองแล้วไปมาก็ชวนไปก็ไม่ไปล่ะหลังตาก็เห็นนั่งอยู่หลังตานั่งอยู่ตรงเขาก็นั่งอตรงกลางก็้วไปมาในเย็นวันนั้นปัญญากลุกหนีไปเลยลุกหนีไปในความมืดมันหนาวมากนะ แลมีคนนั่งอยู่มาเห็นปัญญาเขาก็ลุกตามไปหอไปหอตามไปในความมืดไม่เห็นปัญญาทมาหาลงตามาลราไปฟังผมมีปัญหาแล้วว่าปัญญาผมออกหนี้ไปในความมืดผมตามหาไม่เห็นเลยผมจะทิ้งมันผมไม่อ่อนเดียวนะพามาดีมันไม่เอาดีเอาใจใจมัน แล้วมาหนี้ไหมแค่มาเร็วมาได้มาทําความดีเอามาทําดีไม่ทําดีด้วยมันไม่ได้ติ้งมันไม่เอามันดองตาก็หยุดก่อนทำใจดีดีดีแล้วคุณเน่ะมันไม่หนีไปไหนดอกมันมืดมันหนาวมันจะไปที่ไหนได้มันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเถี๋วมันก็มานะตาก็บอกคุณนั่งอยู่นี่แหละแล้วมันก็มาคุณต้องเอา มือโอบหลองจูบมันชิดหน่อยก็ได้มันโกรธแต่เราใจดี <laughs> จูบแย้มมันเล็กหน่อยมือรูปหลังมันเค้าบอกมานั่งใกล้ๆก็ออกเข้ามาจริงนะออกเข้ามาเลยตาบอกว่ามันไม่ไปไหนมันหนาวมากนะขนาดเอาน้ําใส่แก้วไปตั้งไว้นอกหน้าจาา่างเนี่ยเป็นน้ําแข็งไปเลยนะมันขนาดนั้นนะเขายังอยู่ได้แต่เราในกลางร่มเดินจุด แต่ขนเนี่เดินไปไหนมันเดินไปได้เขามันไปไม่ได้นะกลางวันก็ไปไม่ได้มันหนาวอยู่ในห้องกรรมฐานต้องเป็นแอร์อุ่นไม่ใช่แอร์เย็นเหมือนมันเราแอร์อุ่นจึงอยู่ยได้เขาก็ทำเขาทำมาลงตามกจบแจมเมือ่ออบหลังควบกันเบาๆต้องสอนเมีนต้องยกมือสร้งง า, ง <c oughs> า, งางจังหวะตั้งองผ่าชวเมียช่างจังหวะ เอาไปเมียก็อยากหน้าบัวก็ค่อยบาลขึ้นบาลขึ้นบ า, น ข, นบานขึ้นดี <c oughs> ดีขึ้นมาย้มแย้มแจมใสวันต่อมาก็ามางานรองตากตั้งคู่ฉันมีความสุขเอาแต่งการมันมาหลายปีไม่เคยมีความสุขเท่านี้เลยอะไรก็เข้าใจรอบลื่นไปทั้งหมดก็มีกยม็ยิ้มยิมมันยาเป็นคนพูด เออความร้อยเป็นความดีเวลาเขาโกรธเราไม่โกรธทาได้ทุกคนเวลาเขาทุกเราไม่ทุกเวลาเขาหลงเราไม่หลงคนอื่นก็ยังช่วยได้แต่เรานี้มันอยู่กับเราแท้ๆความหลงมันขี่ช่างขี่เมื่อมาไหมมันไม่มีมันเกิดขึ้นที่ตาที่หูที่ใจเราอย่างที่รูปที่นามเนี้ยมันก็มีรูปมีนามเนี่ยทำไมเราจึง เอามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกินไปสตินี่มันใหญ่ที่สุดแล้วตองดอ น, นพูดไปเลยนะสติเหมือนช้างไปเลยนะขี้เล็ดเหมือนหมาไปเลย <laughs> สติเหมือนนกอินรีนี่วัวนะทรมเหมือนมแมลงเมหด่อยนกอินรีต้องจับมแมลงได้ทำไมจะให้มันใหญ่กว่านกองินรีล่ะมันเกิดที่หลังลู่จันทรีลู้จนะันทร์ททีอย่างนี้น นี่คือเปลียนร้ายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งที่ทาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่นี่ในช่วงนี้ก็ฝนตกมันเียงน้อยไปถ้าอยู่ประเทศอื่นไม่เหมือนที่นี่นะเราเขายังสู้ได้เวลาเขาเดินออกจากห้องไปก็วิ่งนะเดินไม่ได้โก้ๆเหมือนบ้านเราที่นี่ไม่ได้ผ้าคมหัวเราก็วิ่ง จะขึ้นรถเดิดนออกจา ก, ก้างวิ่งขึ้นรถลงรถก็วิ่งคข้ามาในห้องเป็นอย่างนี้ประเทศโยออดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยแถบที่ตะ ว, ว, ว, วันออกแถวมดตันแถวนิวยอร์กแถวลาเดนเฟียลองว้เล่นั้นเราไปทั่วทุกภาคเลยสอนดำยากลำบากเขาก็ยังสู้ไดอ้อันเราในฝุ่นตกเท่านี้ก็อ่อนแอใช่ไหมล้วแล้วก็ ลวงตาก็ยังหนุ่มเนาะเหมือนอาจารย์จงศิลป์เลยก่อนนั่งมีเวลาแม่นยามากเขาใช้เวลาเวลานั่งสอนกรรมฐานก็นั่งในห้องกําหนดก็สามชั่วโมงผ่านไปตีกดติงติงเรากดติงติงดื่มน้ําจาน้ําจากอยู่ในห้องข้างๆแปลว่าน้ำชาปรกดออกเรากดเรากํานั่ง เรามานั่งก็ให้พูดหลอยแต่เดียนมาสามชั่วโมงเนี่ยไปมีปัญหาอะไรพูดออกมาปัญหาที่หนึ่งก็พูดนั้นก็พูดนั่งพูดพูดไปไปก็ให้ล่ามเขียนไปเขาพูดหลอยก็พูดหลอยแล้วก็พูดจบทุกคนแล้วก็มาเฉลยเฉลยปัญหานี่หนึ่งก็าถามนี่ก็มีอย่างนี้กันพูดไปพวดพกไม่เกินหนึ่งชั่วโมง เรหมดเวลาไม่ต้องทำแบบกดดิ่งกิ้งเริ่มดกมือซ้ายอยงเ้นั่งลอยชิมข้าวลอยชิมข้าก็กระดิ่งติ้งเดินลงออกจากที่ไปห้องอาหารหลังตาต้องเดินก่อนเดินก่อนกาไปห้องอาหารหลังตาก็ตักอาหารจุ๊บเฟ้เหมือนเราเน่ยเดือาหารจิตมานั่งมานั่งโต๊ะแถว พอกินข้าวแล้วหลวงตามาให้ลูกนั่งก่อนหลวงตาจะยืนพูดจังหวะเวลาบ่ายมองไปพบกันเรียนอีกเดี๋ยนี่ไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวถึงเวลาบ่ายมองก็ตรงเวลาปิ๊ บ, บทึบจะห้องเลยเจ็ดฟันอยู่เนี่ยสู้ตัวหลังบางคนเนี่ยเขาไม่ไมีมารยาคมันเราแนละ้วเป็นวาสิกาหนะลวงตานั่งอยู่เนะนั่งก็ มันยังนอนอยากนอนก็นอนเลยนอนไม่นอนทำไมหันขามาทางเราด้วยกลวว่าคนจะแก้งเราก็จะต่ายภามพมาหินสีกานอนขามาทางเราหลังตาก็ค่อยค่อยลุกเดินเดินน้องแม่มาม่าแอมเยอะแล้วไม่กลัวเขาไม่มีมลรยามันแล้วอย่างฝลังคนรัเหนือพวกนี้เวลาเขาง่วงนอนมาหมุนเข่าของสามีนอนเลยสามีก็ปุกคืนอ๋ออิจฉามา อาจจะนั่นเนี่ยอย่าไปกลัวความยากลําบากความยากลําบากทำให้เราเข้มแข็งความสะดวกสบายทําให้เราอ่อนด้ฉันไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่เห็นไม่ทุกข์อะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นหลวงตาไปสอนสิงคโปร์เนี่ยมีผู้หญิงคนนึง่งในวาชิกาคนนึง่งฉันไม่เห็นมีทุกข์อะไรเงินเดือนก็เยะบ้านก็มีอยู่ อ๋อข้าก็จะกินเย็นเลยก็ได้ญาตพี่น้องอบอุ่นไม่เห็นมีทุกข์อะลรขึ้นโอะไรมาเป็นความสุขมีเงินมีความสุขเหรือมีงานทํามีความสุขเหรอมีบ้านมีข้าวกินมีความสุขไม่ใช่เป็นอามิตรนั่นเองสุขอามิตรเข้าวใดที่เธอจะทุกข์ใจอะไรล่ะอะไรเป็นอามิตรกิดเจเจ็บตาคุณทํางานคุณเคยโกรธไหมเขาบอก โกรธแล้วกันเวลามันโกรธหรอเอาเงินไปจ้างให้มันหายโกรธได้ไหมเวลาคนทุกข์ของคนใจไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราคุณเอาเงินเอาทองเอางานเอาการเอาว่านเอาช่องไปช่วยมันได้ไหมแ้่ไม่มีสติเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเอาอะไรมาตทดลองก็การกระทําปฏิบัติทำไม่ถูกเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราลู่เราห ล, ลงแน่นอน นี่คือการบ้านของเราโดยเมพาะแถบสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปิน์เนี่ยลงตาไปหมดสอนทองในแถวนี้เหมันเป็นหมู่เกาะไปไหนก็ถือล่มเลยฝนตกฟ้าไม่ร้องไม่มี ล, ม, ม, ม, ลมพัดไม่มีอะไรเลยเวลามันตกก็ตกมาจุกกก๊จุ๊กคนที่อยู่แถบนั้นต้องถือล่มกันทุกคนเหมือนพวกเราที่อยู่ที่นี่ไปทางไหนต้องมีร่มในมือเหมือนมีธรรมะในมือ ไม่ก็อย่าเอาอะไรมาทดลองเลยเอาความแก่บมาทดลองเอาความสุขอะไรมาทดลองยิงอาิตรถึงบ้านคิดถึงบ้านคิตถึงที่นอนที่มุ้งที่อะไรต่างๆถ้าเคยจะดกสบายมานั่งอยู่นี่หลังขดหลังงออยู่นี่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอย่าไปยึดแบบนั้นต่อไปพูดถึ ง, งกรมสะดวกน่อยสู้ศรีสัจธรไม่ได้เจ้าผ้าชายศรสัจธรมีบ้านประชาทจำระดู ก็ยังมีการบ้านเกิดเจ็บเจบตายนี่เป็นเรื่องที่เป็นการบ้านของเราคอขาดบาดตายเราต้องเจ็บต้องเจ็บ ต, ต้องตายเราต้องัวงลูเรื่องนี้ให้มันเฉลุยเรื่องนี้เห้ได้จนเข้าถึงเห็นรูปเห็นน้ำเห็นนาการของรูปเห็นนาการของน้ำตามกฎเป็นจริงจนเห็นว่าไม่เป็นกับอะไรกับอะไรนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์หลงต่อเลยเขียนไว้ป้ายนะ ไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยทีเดียวมันเป็นได้หรือยังแล้วมันหลงเป็นผู้หลงหรือเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์ให้มันไปอย่างนั้นจึงมาเห็นมันเห็นมันลูกมันเห็นมันก็เริ่มแยกไปเริ่มแยกไปนี่ยว่ามันหลงเห็นมันหลงเว่ามันทุกข์เห็นมันทุกข์มันร้อนมันหนาวมันปวดมีไหมในเชียรน้อยเดี๋ยวนี้หิวข้าวไหมเห็นเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว วังดีก็ดูตรงนี้ไปออกแยกไม่เป็ี่นอะไรเป็นกุ้มเป็นก้อนไปเลยตอนนี้ไม่ได้นั่งปฏิบัติธรรมหน้าพูดพูดเครียดหลังต่อตามเป็นยังไงหนูวันนี้แย่เลยไม่ไหวทำไมล่ะมันเครียดคิดมากง่วงก็ง่วงออ ตอบจากนี่ไม่ได้นักกรรมฐ า, านไม่ต้องตอบจากนี้จะตอบไงมันเป็นอย่างเนี้ <c oughs> ใช่ไหมมันก็เครียดเนี่ยมันง่วงคิดอะไรพุ่งสร้างไปหมดแล้วโอนี่อารมณ์มาค่อยดีเอาอะไรเอาอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนนักกรรมฐ า, านก็ไม่ตอบจากนี่เราเอาตอบใหม่ตอบใหม่ตอบใหม่ สองตามันเลยสอนแบบนี้ให้เห็นมันมันคิดก็เห็นมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันเครียดก็เห็นมันสงบก็รู้มันพุ่งสร้างก็เห็นมันสองตาสอนอย่างนี้นะคถามตอบไงม่ตอมาโ อ, อ้ยตอบใหม่ อ, มอะอัะนนี้หนูเห็นมันเครียดเออ อ, ออย่างเนี้ตอบอย่างนี้เห็นมันง่วงเออตอบอย่างนี้ เขาก็บอกว่าเขาเห็นมันเครียดหน้าตาก็ค่อยๆไม่เงาไม่งอนมันก็เดีขึ้นมาสำใจขึ้นมาเพราะนั่นเราแยกไม่เป็นเรื่อยทะลุงไม่เป็นย่อยไม่เป็นเอาความเพียดมาเป็นตัวเป็นตนเอาความง่วงมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้มันใช่ธรรมดาจึงต้องฝึกตนสอนตนคือโอกาสในขณะที่มันไม่ใช่จิตนะเป็นโอกาสที่เราเรียนรู้ มันหลงก็ดีจะได้เห็นความหลงมันทุกข์ก็ดีจะเห็นความทุกข์หน่ามันทำกับความทุกข์อย่างนี้ ท, ทําที่ใดมันรู้อย่างนี้มันก็มุดไปแหวกมันก็เหมือนกับเราผ่านไปผ่านไปเอาไว้หลังเอาไว้หลังเหมือนเราเดินทางจากบ้านหนึ่งไปสู่ บ, บ้านหนึ่งเอาถ้าเอาบ้านหนึ่งไว้หลังเลยไปเลยไปก็มีจุดหมายปลายทางผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความ อะไรต่างๆผ่านไปผ่านไปผ่านไปร่วมมักมักไปว่าดูเนี่ยมักไปว่าดูเนี่ยไม่ใช่ไปท่องสัมมาทิติสัมมากิดมันจะสัมมาอาชีวะสัมมาวัยมรรสัมมาอะไรต่างๆสมมาสติสัมมาสมวิทิอันจะเป็นอีมมกเรมมมมมมื่ อ, นนนนอ ง, งนึงตอนที่เป็นสมัมมาทิติมันต้องมีความรู้ก่อนเป็นกำเนิดเป็นมัรดาของปัญญาความหลงเป็นมัรดาของอวิชชา มันก็แยกกันตรง น, นี้นะอ่ะอวิชชากเกิดสังขารสังขารเกิดนามรูปนามรูปเกิดยตนาอยตนาเกิดปัจจักตะเกิดเวทนาเวทนาตัณหาโบราณภพชาติมลามมโนะเกิดเจริญตายไปหรอนอวิชชาคือความหลงเพราะมีวิชาชาฉลามมโนไม่มีเกิดมันก็ต่อมาตวนม า, ม า, ม า, มาเรือ่อบาเรื่อบาเรื่ออนุหลงปฏิหลมอ น, นุนึงมไปอันหนึ่งมันกลับมาอปกติปกติไง มันต้นต้นที่นี่ต้นเด็มีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่หลงไม่มากถ้ารักษาชินก็เอาตัวรูว้ตัวเป็นศินเลยเป็นชินเลย เ, เลยถ้าไปควบคุมอวัตนะทั้งหมดมันเหมือนจะปูจกกักระดงมันไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เลียบไปเลยสมบวมปอดจูกไปเลยตาวงูจะบกดิ้นไปเลยขนาดนี้นะเรียกว่าพลัง เป็นพละพละห้ัคตาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเป็นพละพละเพื่อทำความดีได้สำเร็จแล้ว